เสียงงานหนังสือประสบการณ์นอกกายเนื้องานวิจัยบันทึกทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์กว่า12ปีของต่างชาติพร้อมเล่าสิ่งที่ได้เจอมาจากหลายภพภูมิหนังสือปลาไทยจากเรื่อง Journeys Out of the Body โดย Robert A. Monroe นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและมีการศึกษาสูงหลายด้านรวมทดสอบโดยศาสตราจารย์ดรชาวทีท นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธรรมชาติของสติโดยเฉพาะสถานะที่เปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาจิตวิทยาข้ามบุคคล transpersonal psychology แปลโดยอาจารย์สิริพุทธสุขจัดพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทรงของไทยเอกสารชิ้นสาคัญของต่างชาติชิ้นหนึ่งที่แสดงการทดสอบพิสูจน์เรื่อง การเดินทางด้วยจิตกับชีวิตในรูปแบบกายทิพย์ที่ทางพุทธเรียกว่าโอปปาติกะจนยืนยันได้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริงมนุษย์สามารถฝึกถอดจิตหรือถอดกายทิพย์ออกมาได้แม้ขณะมีชีวิตความน่าสนใจในหนังสือของต่างชาติจํานวนมากนั้นมักพบคําอธิบายหลายเรื่องที่ท่านไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนศา ส, สนาของท่านไม่สอนหรือสอนไว้ตรงข้ามกันแต่กลับเล่ารายละเอียดมีหลักสําคัญตรงกับคัมภีร์ทางพุทธ เช่นหลักกรรมพบชาติสังสารวัตรรวมถึงเรื่องอภิญญาพลังทางจิตว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงเจ้าของเรื่องเป็นผู้มีฐานะและมีการศึกษาสูงได้ถอนจิตได้โดยบังเอิญซึ่งน่าจะเพราะบา ร, รมีชาติก่อนเคยฝึกสมาธิมามากท่านได้ผ่านการตรวจสอบจากจิตแพทย์แล้วว่ามีอาการทางจิตเป็นปกติต่อมาได้ฝึกฝนและทดลองอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบกว่าปีจนชำนาญ โดยมีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบก่อนจะเข้ารับการทดลองในห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการเดินทางดิจิตของท่านนั้นไปได้ทั้งในโลกนี้ที่พิสูจน์จนแน่ใจว่าสิ่งที่ได้เจอทั้งคนและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมขณะที่ถอดจิตไปที่นั้นเป็นเรื่องจริงแม้ไม่เคยไปมาก่อนและยังเดินทางไปในพบที่ท่านเรียกว่าโลกที่สองกับโลกที่สามซึ่งท่านเข้าใจว่าเป็นสวรรค์ และเป็นภูมิอื่นหรือมิติอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ต่อมาได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางจิตในเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยตรงหนังสือนี้จะมีประโยชน์มากเพื่อเป็นข้อมูลเสริมไว้ศึกษาเปรียบเทียบกับคัมภี์ของพุทธอันจะยังความมั่นใจได้อีกระดับโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่มาสนใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วจะได้ศึกษาในแง่มุมที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นหลายคนแอนตี้เรื่องพวกนี้ แต่ทั้งชีวิตเสพข่าวบันเทิงข่าวการเมืองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ไม่เคยเอาไปใช้อะไรได้เลยมาเป็นสิบปีแต่กลับไม่เคยเสียดายเวลาหรือต่อต้านสิ่งเหล่านี้เลยบางท่านอ้างว่ามิใจทางพ้นทุกแต่ไม่ยอมเข้าใจว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสกับบางคนเท่านั้นว่าไม่ให้สนใจแต่ยังตรัสตอบคำถามวหลายคนว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร ซึ่งหลังฟังก็เกิดสลดสังเวชใจขอบวชและมีศรัทธาตั้งมั่นจนบรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมาก็ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นกันดังนั้นจะบอกว่าทุกคนไม่ควรสนใจก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับคนเราต้องตายทุกคนการศึกษาเพื่อเตรียมสเสบียงให้ตัวเองในภพหน้ายิงจำเป็นมากโดยเฉพาะคนที่ยังห่างไกลการบรรลุธรรมแต่ถ้าคิดว่าพ ร, าาร้อมบรรลุชาตินี้ปฏิบัติสติปัฏฐานจริงจังได้แล้ว จะไม่สนใจก็ได้หลายเรื่องในคัมภีร์ทางพุทธที่น่าสงสัยและไม่เชื่อว่ามีจริงแต่เอกสารต่างชาติจํานวนมากกลับอธิบายความจริงที่ได้เจอมามีหลักสําคัญตรงในคัมภีร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานประกอบที่จะทําให้อนุมานได้ว่าน่าจะมีอยู่จริงเหมือนเกลือที่จะนับถือศาสนาไหนชิมแล้วต้องเค็มทุกคนแต่เวลาบอกเล่าว่าเค็มอย่างไรบางทีอาจเปรียบเทียบต่างกันบ้าง ตามพื้นความรู้และภาษาของแต่ละคนมีพุทธพจน์ว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิบรรลุธรรมไม่ได้แต่การศึกษาก็ต้องเลือกแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีคำอธิบายตรงกับหลักกรรมซึ่งอาจารย์พรท่านคัดหนังสือแนวนี้ของต่างชาติมาไว้ให้ศึกษามากมายที่ท่านมักจะอธิบายเสริมเพื่อแก้ความสงสัยหรือหนังสือที่เขียนอธิบายโดยตรงที่สรุปแล้ว ท่านเน้นให้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นสืบต่อกันอย่างไรอันจะทําให้เข้าใจหลักกรรมและปูไปสู่การปล่อยวางตัวตนได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ยึดติดสุปทั้งโลกเห็นโลกตามจริงเป็นการให้รู้จักโลกตามความเป็นจริงอยากแนะนําให้ทุกท่านเปิดใจศึกษาแนวนี้และจะดีมากถ้าได้ศึกษาหนังสือของอาจารย์พรให้ได้มากที่สุดที่จะเสริมความเข้าใจในธรรมได้ดีมาก จะทําให้มีงมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะการไม่ศึกษาก็จะยิ่งงมงายได้ง่ายและจะเห็นผลชัดในขณะที่กําลังทุกสาหัสในเรื่องทางโลกกําลังสูญเสียคนรักสูญเสียลาบยศสมบัติหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่ได้จะนอนรอวันตายการเข้าใจโลกหลังตายที่ถูกต้องจะทําให้มีกําลังใจทุกน้อยลงทําใจได้ง่ายขึ้นจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเห็นชัดว่าบุญและการฝึกจิตสำคัญแค่ไหนขณะที่เหมือนสิ้นหวังกับชีวิตหรือนอนป่วยไปไหนไม่ได้จะสามารถสร้างบุญใหญ่ได้มากยังคาดไม่ถึงจะมีชีวิตด้วยความไม่ประมาทในกุศลได้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมมากวิธีการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าคืออนุปพุพิการสอนตามลำดับตั้งแต่ทานศีล ส, สวรรค์โทษแห่งกามและการออกจากกามซึ่งสวรรค์ในที่นี้ ไม่ใช่เพียงความสุขที่ได้รับในโลกมนุษย์แต่หมายถึงพบอันประนีตหลังตายเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าหรือพบหน้าที่เรียกว่าสัมปรายิกัตถะให้เห็นว่าทำดีจะได้สุขติเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้สูญไปไหนดังนั้นหากจะบอกว่าการรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ก็คงจะไม่ถูกนักเพราะถือเป็นลำดับแห่งการอธิบายธรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ท่านไม่ให้ติดอยู่แค่นี้ ว่ามีจริงหรือไม่แต่ให้รู้ว่ายังไม่ใช่สุขแท้ยังมีโทษอย่างไรและจะออกจากกระแสะแห่งทุกนี้ได้อย่างไรซึ่งนี้ก็เป็นแนวทางที่อาจารย์พรใช้เป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมเช่นเดียวกันสําหรับเสียงงานนหลายเรื่องจะมีบทนําคําปรารบและคําอธิบายอื่นๆค่อนข้างยาวพอสมควรก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักก็ขอให้อดทนฟังให้จบไปตามลําดับเพราะเป็นความจําเป็นมากที่ต้องรู้และเข้าใจก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ในทางที่ถูกต้องตรงธรรมมากที่สุดนะครับเสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวลิลส์สมฤทธิครอบครัวพันเกตมงคลสิริรัตยิ่งยงเจ้าภาพรองชาติชายเตชะโชควิวัตรครอบครัวสีโพ ค, คาครอบครัวอิมวงศรีพัทรพรยานพัฒนาเมธารุงระวีต่อบุญสุภชัยวิชยาดามุวิชา ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุโมทนาสัพพะทานังธรรมะทานังจินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง